อย่างพระองค์เคยตัดว่าเนดอกบัวนะเกิดในน้ำนะจะเลยในน้ำแต่ว่าโตพ้นน้ำแล้วมาโตพ้นน้ำแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่อาจจะฉาบพห้ติดได้ก็เหมือนกับบุคคลที่ได้ปฏิบัตินะจนเข้าถึงความจ่มแจ้งในศัจธรรมอย่างเช่นพระพุทธองค์เนี่ยหรือพระรานทั้งหลายเนี่ยท่านก็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 บางคนเคยได้ยินหลวงปู่โลกอุดรนนะโลกอุดอนนี่คือโลกุตตระนั่นเองอุดรนแต่ว่าเหนือเป็นสวัสจิตนะของผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมแล้วเห็นเข้าถึงความเป็นธรรมดาของธรรมชาติทั้งปวงแม้นตัวอยู่ในโลกนะเท้ายังเหยียบพื้นอยู่แต่ว่าจิตนี่อยู่เหนือโลกแล้วแล้วไม่ติดในโลกนะไม่ติดในโลกหมายถึงว่าโลกธรรมไม่ว่าโลกธรรมไยบวกฝ่ไฟลบ เมื่ออย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยจิตของผู้ใดที่โลกทำนะถูกต้องแล้วนะไม่หวั่นไหวเป็นจิตไม่เศร้าโศกไร้ทุลีกิเลสเป็นจิตกเกษมสารคือถูกต้องนะแต่ว่าไม่สามารถจะฉาเพ่ติดได้เหมือนกับน้ำเนี่ยน้าต้องใบบัวดอกบัวแต่ว่ามันไม่ติดนะอันนี้ก็เป็นครูสอนทําให้กับเราได้เวลาเราทุกนะ เราทุกด้วยความกัดกลุ้มด้วยความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปนแล้วเนี่ยลองดูดอกบัวหรือใบบัวเนี่ยเขาไม่ไม่ยอมที่จะให้น้ํานี่มาฉาบติดหรือว่ามาขังอยู่ได้นานเลยนะใบบัวนี่ถ้ามีน้ํามาขังอยู่แม้เพียงนิดหน่อยนี่เขาก็พยายามโอนเอง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 ต้นไม้ยืนต้นทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของเราได้ก็อสอนได้หลายแง่หลายมุมนะเช่นเขาแผ่ใบรับแดดแต่เขาไม่ได้ทุกขเพราะแดดเลยนะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแดดที่ร้อนให้กลายเป็นร่มเงาที่เย็นได้เป็นสุดยอดของความเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี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 ต้นไม้ก็เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นใบที่เขียวใสสดใสแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นผลไม้ที่หอมหวานต้นไม้นี่ก็ยังสอนเราอีกได้หลายอย่างต้นไม้ยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยเราสังเกตมหมยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยรากเขาก็ยิ่งลึกนะยิ่งยอดเนี่ยพุ่งขึ้นฟ้าเท่าไหร่เนี่ยรากนี้ก็ยิ่งอย่างลงดิน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 ยิ่งคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีฐานะตำแหน่งสูงเนี่ยก็มันกบต้นไม้ที่สูงใหญ่แต่ว่าจะสูงใหญ่งั้นได้เนี่ยมันต้องมีฐานคือรากเนี่ยเป็นตัวประครองเป็นตัวยั่งเพื่อที่จะทําให้มั่นคงงานภายในก็สําคัญนะัเราไม่เห็นรากหรอกเราเห็นแต่ลําต้นที่สูงใหญ่ก็ให้รู้ว่าที่ลําต้นสูงใหญ่ได้เพราะมีรากที่ยั่งลึกทางคนเรานี่อย่าทําแต่งานภายนอกนะเราต้อง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 นะพังลงมาก็มีนะอย่างร o ย a อ p ล a ซ่านะที่โคราชเมื่อ21ปีที่แล้วนนะต่อเติมฐานก็ไอต่อเติมชั้นก็้ไปตเติมชั้นเติมสูงสูงสูงปรากฏว่าลากยังคงเดิมไม่ได้เสริมฐานเลยพังคลือลงมาก็เมื่อคนที่มีการงานที่มากมายนะดีความลับผิดชอบเยอะแยะนะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดที่จะทำฐานใจให้อย่างลึกมั่นคง ถึงจุดหนึ่งเขาก็เรียกว่าเสียศูนย์หรือว่ า, าหมดสภาพไปนะรุ่มใจเพราะว่าเจอภาระงานการต่างๆมากมายเจอคนเลื่อยขาเก้าอี้เจอขนวิพากษ์วิจารณ์นะที่ค่าตัวตายก็มีนะก็เหมือนกับตึกโลยอพลาซ่าที่ว่าฐานเนี่ยไ ม, ไม่ไม่มั่นคงเพียงพอปัญหาไม่ไอยู่ที่ความสูงนะปัญหาอยู่ที่ความลึกมากกว่าเหมือนกับสิบ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 นักที่สุดในโลกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยประมาณ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยก็แข่งกันแบบนี้ทวนนี้ยังแข็งกันอยู่นะเพราะว่าทัรูปที่สูง ท, งที่สุดในโลกหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะทูมนี้ก็เหมือนกันนะวันดีคืนดีทูบก็พังคือลงมาคนก็บอกว่าทูมเนี่ยมันสูงไปนะ30เมตร40เมตรสูงไปแต่ที่จริงออกมาว่าไม่ได้สูงไปหรอกแต่ล่างมันตื้นตังหันเะนี่ย ตึกที่สูงกว่า น, นี้นะเป็นสามสี่ร้อยเมตก็ยังก็ยงสร้างกันได้โดยที่ไม่พังคือลงมาปัญหารจริงอยู่ที่ฐานอยู่ที่รากล้วพวกเราเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่ารากของเราฐานของเราเนี่ยมันมันพอดีกับงานภายนอกที่เรารับผิดชอบหรือที่เรามุ่งหมายหรือเปล่าให้งานภายนอกงานภายในต้องสมดุลกันอันนี้พูดมองในแง่ของช่วงยาวนะ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 คนสำคัญคนหนึ่งของประเทศจีนนะพุทธศาสานาจีนคือท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลางนี่เป็นคนที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าท่านได้รับตําแหน่งสังคปรินายกองค์ที่หกแห่งลัทธิฉานลทัทธิฉานนี่ก็คือลทัทธิเซนนั่นเองฉานเนี่ยก็คือฉานนั่นแหละฉานนี่ก็เป็นพุทธศาสานานะที่แพร่หลายในประเทศจีนตอนหลังก็ขยายไปทางญี่ปุ่นก็กลายเป็นเซนไป ถ้าเวลานี้ถ้าเป็นสังฆปรินายกองค์ที่หกได้รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่ยังเป็นคารวะอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่าสังฆราชองค์ที่ห้าเนี่ยมอบหมายให้เลยเพราะว่าเห็นว่าภูมิฐานท่านสูงมากแล้วก็มีปัญญาแต่ท่านได้แล้วิท่านก็ต้องหลบนะเพราะว่าคนที่เป็นทาญาติของสังฆราชที่ห้าเนี่ยท่านไม่ชอบไม่พอใจว่าถูกแย่งตำแหน่งนะท่านก็ต้องหลบรีบหนีไป จนทั้งหลายปีต่อมาท่านก็ไปไปประกฏตัวที่เหมืองกวางโจวัดกวงเซี่ยวต่อมาก็ได้มีโอกาสไปวัดนี้มาแล้วนะก็น่าทึ่งนะว่าวัดนี้เนี่ยตั้งมาพันกว่าปีแล้วนะสมัยท่านเว่ยหลังประมาณพันสองร0พันสามรอปีเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นวัดที่อ่ก็ยังเป็นวัดที่ยังมีผู้คนมาศักการะนะ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 ของจีนนี่เยอะมากนะวัดกวงเสี่ยวก็เป็นวัดหนึ่งนะก็มีเกร็ดที่สําคัญตอนเนี้คือว่าตอนนั้นท่านก็เพิ่งมาถึงวัดนี้ใหม่ๆแล้วก็มีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากคนก็มาฟังธรรมกันล้นหลามจากกนกระทั่งเนืองนั่นห้องประชุมนี่ไม่พอต้องล้นทะลักออกมาถึงข้างนอกระหว่างที่อาจารย์ท่านก็กำลังแสดงธรรมอยู่นะก็มีคนบางคนที่อยู่นอกศาลานเนี่ย แทนที่จะฟังธรรมก็ไปสังเกตเห็นธงเนี่ยมันพลิ้วไหวคนก็บอกว่าธงมันไหวอีกคนต้งบอกไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวต่างหากทีแรกก็เถียงกันสองคนนะแต่ตอนหลังนี่ตัวอย่างกันไปตัวย่างกันมาคนก็มาร่วมวงนะถกเถียงกันมากขึ้นนะว่าธงไหวหรือลมไหวจากสองคนก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะ ครูบาอาจารย์ก็เท็จพูดสวดอะไรสอนอะไรไม่สนใจแล้วมาเทียงกันไร้แล้ว่าว่าลมไหวหรือธงไหวตามคนต่างก็มีเหตุผลถเถียงไปถเถียงไปก็ชักจะเริ่มมีอารมณ์แล้วอยู่ๆท่านเว่ยหลังก็พูดสอดแทรกขึ้นมาเลยว่าใจท่านไหวต้องหากนะรากว่าที่ประชุมนี่อึ้งเลยนะได้สติขึ้นมาทันทีเลยคือขณะที่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยไปมองว่าธงหรือลมไหวเนี่ยลืมดูใจ ว่าใจตัวนั้นเนี่ยกัเพิ่มแล้วนะท่านไวหลังเนี่ยพูดแค่ไม่กี่คำนั่นแหละนะว่าใจท่านไหวเราว่าเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของอาจารย์ที่แสดงธรรมก็รู้ว่าท่านไวหลังนี่ไม่ธรรมดาก็เลยจัดการบวชให้เลยนะท่านบวชเมื่อยุสามสิบแปดอันนี้ก็เป็นเป็นเกรดที่สอนใจเราได้ดีนะว่าอย่าไปมัวเถียงกันว่าทงไหวหรือลมไหว บางทีเราเถียงกันในะเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองมว่าสีไหนดีหรือว่ า, านักการเมืองคนไหนเถียงกันเรื่องทักษิงอภิสิทธ์นะเถียงไปเถียงมาลืมดูใจว่าใจเราเนี่ยมันไหวแค่ไหนอันนี้นะเราต้องกลับมาดูใจเราอยู่เสมอนะอย่ามัวแต่ส่งกิจออกนอกอการที่เราจะไปรับรู้เรื่องภายนอกหรือว่าทํากิจการงานต่งางๆเรื่องภายนอกก็สําคัญนะหรือการที่เราจะถกเถียงเรื่องอะไรกันก็แล้วแต่แต่อย่ายุดอย่าลืมกลับมาดูใจ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 แต่าัพักจะก็เดินหันหลังหันหลังแล้วก็เดินไปหลบไปนั่งหลบมุมแม่แปลกใจเพราะปกติประวาลจะเถียงแม่นะปาวานเด็กฉลาดนะจะเถียงไม่ได้เถียงด้วยอารมณ์เถียงด้วยเหตุผลนะแต่ว่าวันนี้ไอะปาวาลไม่เถียงแม่นะเดินไปนั่งหลบมุมแม่แปลกใจก็เลยถามปาวาลทําอะไรประวานบอกกําลังสงบสติอารมณ์ครับนะปาวานเนี่ย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 ชื่อน้องไอ้น้องไอนี่ก็สามสี่คัวเหมือนกันแต่ไม่ได้รู้จักกันนะพอถึ น, น้องไอนี่อารมณ์ดีนะวิ่งนะวิ่งเพลินไปหน่อยนะวิ่งไปชนประตูกระจกนะไชนไปช น, ป ร, ป, ชน ป, รประตูกระจกดังตึง้งน้องอ้าวน้องไอก็ร้องเลยนะร้องด้วยความปวดแม่อยู่ในครัวได้ยินน้องไอร้องก็รีบวิ่งเข้ามาเห็นน้องไอนั่งจุม่มจุมปลุกเนี่ยก็จะก็ไปกอดจะไปปลอบใจ น้องอ ย, ยกมือแล้วบอกว่าแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอานั่งสมาธิก็าหายธรรมะเด็กเนี่ยเวลาชนกระจกเนี่ยจะต้องโกรธกระจกนะจะต้องโกรธกระจกแล้วไอ้ต้องหาทางอาจจะแก้แค่นี้การเตะกระจกนะแต่ว่าน้องไอนี่ไม่เลยน้องไอพยเขรู้ว่าเขาทุกเขากำ ล, ลังปวดเนี่ยแทนที่เขาจะระบายความโกรธนะไปใส่ใส่ใส่ประตูกระจกเขากลับมาจัดการที่ใจก็คือว่ามานั่งสมาธิน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 ไม่ช่วยเลยเวลาลูปเวลาพ่อเนี่ยอุ้มลูกเนี่ยเพื่อที่จะลงเรือเนี่ยพอเหยียบโปน้นี่ลูกจะจะร้องแล้วก็กอดพ่อแน่นแล้วก็รบเร้าว่าให้ออกจากโป้นั้นพ่ออธิบายยังไงด้วยเหตุด้วยผลยังไงก็ไม่ได้ผลแล้ววันหนึ่งแกก็ได้ฟังเรื่องราวของของเพื่อนที่เป็นที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ ใช้สติเนี่ยนะในการที่จะทําให้ลูกเนี่ยเห็นความโกรธของตัวจนกระทั่งความโกรธเนี่ยมันมันเพลาลงไปโกรธย่านะโกรธย่าโกรธมากก็ถามลูกวันเนี่ยลูกโกรธใช่ไหมใช่โกรธโกรธแค่ไหนโกรธแค่นี้โกรธแค่นี้ลูืโกรธเท่าฟ้าเลยลูกบอกโกรธเท่าฟ้าเลยดูหน้าตกใจนะแต่พกลูกพูดแต่สักพังเนี่ยลูกก็หายโกรธเลยแล้วก็ไปวิ่งเล่นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าผู้ชายคนนี้ผููเป็นพ่อเนี่ยของเด็กที่กลัวโป้เนี่ยได้ฟังเรื่องราวเออดูเชื้อมันจะได้ผลไหมก็อุ้มลูกขึ้นโป้ลงโป้ะนะลูกก็ร้องลูกก็เกรงนะพ่อก็ถามลูกว่าลูกตอนนี้ลูกเป็นยังไงลูกรู้สึกยังไงกลัวกลัวนี่มันเป็นยังไง